ไอ้ใจวันหนักแท้นนี่แต่ว่าทิศทั้งหกมานอบก็นั่งก็โลิกการไหว้ทิศฐานหน้าไปทางทิศด้านฐาหน้าทางทิศนี่เลยมาเคารพเกี่ยวข้องกับเราทั้งหกอย่างเนี่ยเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนไทยมาเลเซียเวียดนาม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 ในสาราหลังเดียวมีน้ำซึมด้วยในช่วงเดือนพกฤกีกาเขายังเกี่ยเข้ามาเสร็จดินก็ยังไม่แห้งดี <c oughs> ก็มีเตาเอาศพมีสาราหลังนึง่งพวกเราทั้งเก็ดสิบกว่าลูกก็ไปไปนั่งบนดินมาได้พอมันเปียกต้องอยู่ในสารา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 เราก็ไม่หวันไหวอะไร <c oughs> แต่ตดีธรรมวัตรตอนเย็นตอนเช้ายันได้กินศกไปเป็นธบาดกลมามาชั้นเที่ยงก็ยังมีกิน่นศกเอาสิเป็นยังไงไม่หวันไหวนะเพราะเราสมทานสุดตรงขวัตไม่มีอะไรเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากสัจจะ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 แล้วเบียบบอกให้อาจารย์โต้อาจารย์โนดพระ ส, สงที่นี่อาจารย์สินก็เราออกพรรษาแล้วเวลาเขาวางท่อกัะถิ่นมีเงิน น, นิดนิดหน่อยแบ่งให้พระหมดเลยอย่าเอาไว้เป็นค่ารถค่าเรือกลับบ้านเขาคนเราพันสองพันมอมดใช่จีบีเพียบเหมือนอะไรก็มีปัญหาบอตรแต่เ่ายากเอาอกง่ายเป็นการกระทำความดีเนี่ยไม่ได้เดือดขาด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 อย่าไปรู้เป็นุดหมายปลายทางอย่าไปสุขเป็นุดหมายปลายทางลืมมาได้คือความรู้สึกตัวในการทําความเพียรนะ์น่ะมีกันทุกคนเขียนกันทุกคนอย่าอย่าเสื่อสารกับเรื่องเขียที่มันเกิดขึ้นอย่าไปเสียเศ้าต่อความทุกข์อย่าไปเสืยอศ้าต่อความโกลง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 มัจจุก็มีสติร0 0เเมันทุกข์ก็มีสติร้อยเปอเนอย่างี้ยอย่าเป็นต่อรองแน่นหน่อยให้อาลงเป็นใหญ่ให้เหตุปัจจัยต่างๆเป็นใหญ่หเฮ้ทถูกปัจจุโญอารมณนาปัจจออญทิปติปัจจโยไม่ใช่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 ก็มองมากม็มาเห็นหน้องตาคนแก่ร้อยกว่าปีไม่รู้มาโพ ร, รุ่แล้วผู้ใดล่ะมาตาสายมาจากบ้านหนองแก่ไอ้ยายอยู่บ้านหนองเรืออำเภอหนองเรือแม่ผู้ใดห น, หน้องฟังเสียงคือคือคึ้เขีเยนแท้จอมา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 ก็ตอบไปตอบไปตอบไปตอบไปตอไปอันที่มันตอบได้พะมาตอบไปหมดทั้งหมดยี่สิบข้ออ้าข้อนี้ง่ายทีเดียวมาตอบทีหลังได้นั้นแต่แขนไหลเมื่อเราไปประกอบนี่ก็เหมือนกันบางที่ารไายเกิดขึ้นเราจะหาคำตอบทำความพยายามเอ๋บางก็มีด้วยประการฉะ น, น